จริงนั้นอื่นหมดมันก็อยู่ในตัวมันอยู่ในใจอ่ะเนี่ยจับใจได้ก็เรียกว่าหมดหมดผูอหมดเรื่องจริงแล้วพวกมดอยู่ที่หัวใจแห่งเดียวธรรมเทศนาก็จับหัวใจคือธรรมเทศนาที่ท่านแสดงเพราะนั้นจับหัวใจให้มันได้หัวใจคือข้อความที่ท่านเทศนานั้น มีประสงค์อะไรจุดหมายปลายทางอะไรในธรรมเทศนานั้นท่านเทศนามากๆเส้นเชื่อนปีกย่อยออกไปแต่ละอย่างละอย่า ง, างควงขวางเข้ไปเนีย่ยไปหลงตามไปหลงคิดนึกตามนั้นไม่ได้ของจดจําตามนั้นไม่ได้ให้จับว่าจุดเดียวจับว่าจุดเดียวแล้วมันปีกย่อยมันออกไปจากนั้นทั้งหมด การเทศนาก็ต้องมีจุดประสงค์เหมือนกันผู้ฟังก็ต้องมีจุดประสงค์เหมือนกันจึงจะคลมคืนกันทางพู้เทศและผู้ฟังผู้ฟังไดยส่วนมากไม่จับเอาจุดสำคัญเอาแต่เปลือกๆย่อยๆอยยอกไป พระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าตาจุตจาจักสาโลท่านบอกว่างนั้นเอาเปลือกมาเป็นแก่นหาแก่นหาเอาเปลือกมาเป็นแก่นหาสาระไม่ได้เปลือกมันมากกว่าแก่นธรรมาเทศนาก็เช่นเดียวกัน ปีกย่อยเล็กๆน้อยๆทาระพัดทุกอย่างเพื่อแสดงให้เข้าใจท่านเให้เข้าใจความหมายเนี่ี่ยที่ปีกย้อยเอาไปกระดิแต่คนเป็นหลงออกปีก ย, อย่อยเมื่อเล่านั้นจับเอาแก่นมาไม่ได้แก่นในที่นี้มหม้ความถึงว่าทุกขดเี่มาเพื่ิปฏิบัติเพื่อัด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 ความไม่พอใจเกิดขึ้นตลอเราถึงสถานที่อยู่อาศัยไม่พ อ, ออกพอใจไม่ทบกับอารมณ์ของตนเกิดขึ้นในใจเหล่านี้แหละเอานั่นเป็นแก่นใช่ไหมคล้องใจยึดต่อเรื่องเหล่านั้นติดใจในเรื่องเหล่านั้น ไม่สลระทอดทิง้งทิ่งแล้วนั่น่าเป็นปิดไปภายข้าหนาแทนที่เราจะมาสลระปล่อยว่างเลยมาเอาของนั้นมาเป็นอุเพราวานาเลยได้ของพนันคิดนีกไปเตืเ่องหรอือท่านเลยเป็นนิดใส พูดกันว่าคนน้สัยีโกรธคนที่ทค น, คนสัยงุหงิดคนนใส่ยมีอารมณ์เดือดร้อนคนชอบคิดชอบนึกระแวงสิ่งต่างๆพูดกันให้ใชกันก็นกนว่าเป็นของวิญญาณเหมือนกัน จึงเรียกว่าโลกมันเป็นไปกับกรรมกรรมไม่ใส่กไม่ไม่ทราบไปทำทำได้ไม่สามารถจะทำสมาธิได้แล้ว่าลเรียกว่าเปลือกเป็นแก่นเพราะว่นาก็มีแต่เรื่องแต่แล้ว เ, เกิดว้นวีว่อนวนไวสำหรับทุกอย่างคนที่ภาวนาเกิดอารมณ์ต่าง มีอารมณ์ต่างๆเกิดเป็นภาพเป็นนิมิตให้ปรากฏล้วก็ถือเอา น, นั่นเป็นอารมณ์อันนั้นก็เอาเปลือกเป็นแกนอันหนึง่งคนที่ภาวนาเป็นจนกระทั่งจิตใจรวมลงไปนิ่งแนว่วจนลืมเนื้อลืมตัวเรียกว่า นั่งหลับขาดสติเข้าใจนั่นเป็นแก่นไ ด, น ด, เนนเ ด, ดน้เข้าใจว่าตนดิบตนดีวิเศษวิโซคนภาวนาเกิดอารมณ์ต่างคิดนึกปรุงแต่งเข้าใจว่าตนดิบตนดีไนพนทธิสูตรเคิดไม่รวมลงไปได้ อันนั้นเนี่ยเรียกเอาเปลือกเป็นแก่พูดก็พูดเธอเรื่องมีลูกศิษย์เาหนึ่งคนแกะะ่แล้วทั้งหลายเขาภาวนาดีดีส ง, งบเยือกเยน็นแต่แก่คานั้นเขาภาวนาตุ้งแต่งวัสรรพัททุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนแต่เก่าเคยค้าขายธัามมะกินอย่างนั้นอย่างนี้ จะสร้างกนกขันนำ้ำท่าเมืองฝายธรรมนาตุงแต่งไว้ไม่มีหยุดไม่หย่อนเห็นหมู่เพื่อนที่ภาวนาทั้งความสงบแค่หาว่าคนไม่มีปัญญาใจเเลยยกโทษดูทุกหมู่เพื่อนแา่นี้หมู่เพื่อนมาศึกษาธรรมะ พูดถึงเรื่องจิตรวมจิตเป็นสมาธิมันมีอารมณ์เอกตะอารมณ์มีอารมณ์มาเดียวแลวจิตใจเื่อถาวะแกพูดไอหมูเพื่อนพูดนที่จะเกาะนาตะาันแล้วถ้าแกเขาจะสงสัยเอเป็นยังไงจิตรวมนี่ ทำไมไอ้คิตตัวมเป็นยังไงแต่มาเลถามว่าก็จิตต้องแกไงเรียกว่าจิตรวมเป็นไงจินต้องแก่แกก็บอกตามเรื่องะที่เล่ามาลนะมันถึงเหมือนกันกคล้ายกันนิดเดียวตอนที่ให้เหมือนกันเป็นของวิงเข้าใจเป็นของวิเศษนนั้น แห้ผลที่สูดแก่กรรมตกแต่งให้ปแปลกๆทั้งต่างไปท่านเรียกว่ากรรมมะพิชฌังคือกรรมนะั้นเป็นตัวพืชเป็นผลกรรมมะพิชฌังตั้นหาสินหังตัานหาคือ แกก็พูดว่ า, าปลาตัาเป็นตนเป็นตัวมีเขี้ยวมีงานี่ไม่เห็นกัดเลยเไฟใหญ่เจ้าโตคันเลี้างไหนมันไม่แห้งคันแห้งแล้วมันก็เพาะไม่เกิดแห้งแล้วก็รีบแถวไปนันนี้มันมีพืชอยู่นะท้งเรียกว่าตั้นหาชินิหังตั้นหาเมือนก เยื่อให่เข้ามานึงนั้นนำของเมล็ดนั้นอาวิชชาเกิดจากอารมณ์ความคิดความนึกความปรุงความแต่งไออวดตนอวดตัวว่าตนวิเศษทิ่สเอาแนงกระเรียกเอาเปลือกเป็นแกน่นนอกจากนั้นอีก เมื่อทำสมาธิภาวนาจิต ท, ที่เป็นอารมณ์เกิดจากอารมณ์ที่พุ่งสร้างความพุ่งสร้างในที่นี้นหมายความเช่พุ่งส่งออกไปภายนอกที่ส่งออกไปภายนอกเข้าใจว่าอยู่ภายในไห่เข้าใจว่าอยู่ภายนาใายายน จิต ท, ที่ส่งออกไปนอกนั้นเข้าใจว่าจิตอยู่ภายในจริงอยู่่ะจิตเมื่อกําหนดพิจารณาอยู่ภายในแต่มันส่งสายเรียกว่าอยู่ภายนอกคือมันนอกจากตัวนอกจากจิตองจิต ท, ที่มันคิดไม่เฉพาะในจิตนั่นแหะมันอยู่เฉพาะในจิตนั่นนหะแต่มันต้องส่งออกไปภายนอกเช่นเห็นรูปเห็นนามอะไรต่าง พุนวิวนวายไปหมดเห็นสิ่งสรรพัาทแตงขวางหมดอันนี้เรียกว่าส่งภายนอกไม่อยู่เฉพาะตัวเองถ้าหากอยู่ภายในไม่เป็นอย่างนั้นพิจารณาสิ่งใดใจนั้นแน่วแน่กอดพก เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลงสภาวะเป็นจริงแล้วก็ไม่ออกไปภายนอกอันนั้นจึงเรียกว่าจิตอยู่ภายในจิตอยู่กับใจแท้อันนัน้นนั่นเป็นแกนแทนะอันที่ส่งออกไปนอกออกเป็นเปลือกคนที่ไม่เข้าใจเปลือกเลยไม่เจ้าเข้าใจแก่น ย่อมจับพิจจะพูดจะโผลนันสิ่งที่ตนเห็นความไม่รู้แล้วนะความไม่เข้าใจเห็นนะั้นธรรมารยิงบอกว่าไหนก็ เ, เอาเธอขอให้เป็นแล้วก็แล้วกันขอให้เป็นขอให้พิจรารณาให้มันชัดเจนแจ่มแจง้งด้วยใจของตนเอง ขอให้เป็นนานๆแล้วขอให้เป็นอย่างนั้นบ่อยๆเป็นนานๆมีปรากฏเพศหญิงเพศชายมันอยู่ของมันต่างหากความที่ไปติดในอารมณ์เปลือกถ้าหากพิจารณาสิ่งนั้นอยู่ น, นานๆจะพิจารณาให้มัน พิจาาก่หรือจะให้มันอยู่นิ่งอยู่ก็ได้จหจมันออกทงสรายเพก็ะได้รู้ตัวอยู่หรือจะให้มันนิ่งอยู่ในที่เดียวกระได้แม้มันส่งไปที่อื่นที่ไกลนอกจากใจอันนี้นอกจากใจอันนั้นเรียกว่าเราจับเขียนได้ ไม่ได้ส่งออกไปภายนอกให้มันชำนิชํำนานอยู่ตลอแล้วจะเห็นเ ห, เห็นเรื่องของของจิตหรันถ้าหากว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะรู้เรื่องของเราเวลานี้จิตใจเราเป็นอย่างนี้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 ไม่พอใ จ, จริงต่างที่กระทบอารมณ์อันนั้นเรียกว่าผิดท่านถูกหรือผิดสังเกตในตรงนี้ถึงว่าจะผิดมากถึงว่าจะผิดมากผิดน้อยเท่าไหร่ต้องให้รักษาไว้ก่อ น, น, นอันนั้ น, อ, น, น, นอันที่มันเป็นนั้นแล้วค่อยสังเกตที่หลัง ส谢谢 noi, ังเกตเรื่องจิตของเราสังเกตตัวของเราด้วยด้วยด้วยตัวเราเองว่ามันถูกหรือมันผิดถูกมากผิดมากถูกน้อยผิดน้อยมันรู้จักด้วยตนเองอันนี้ะเป็นเครื่องสังเกตถ้าหากว่าไม่รู้ตัวเอง อย่าเพิ่งเข้าใจก่อนเลยว่าถูกหรือผิดเท่ น, นั้นเข้าใจตนเองซะก่อนนะค่อยเข้าเรีนรู้จักว่าถูกหรือผิดไม่มีใครทัดทินให้ทัดสิ้นในใจตนเองธรรมดากลุ่นเรามันต้องมีผิดมีถูกถึงพระอริยเจ้าทังหลายที่โซดาเกิษฐาคารนะครก็มีผิดพลาดด้วยบ้างตามชั้นดับมของท่าน จะให้ถูกมดไม่ได้เมื่อไม่ถูกมดเขาต้องมีผิดอยู่ดีๆแต่ความผิดนั่นอย่างที่อธิบายฟังมีการแก้ไขในตัวคือว่าความโลภความโกรธความหลงความขีดตะนีแนวแน่นด้ความใจน้อยไอขี้งงหิดอะไรต่างๆ มันระ ง, งับด้วยสมาธิภาวนาแล้วมันขี้โกรธประการด้วยประการใดให้เอาอนั้นน่ะเหตุใด ม, มันขี้โกรธมันขี้โลกขี้โลกมันด้วยอไอ้ด้วยการนั้นน่ะมาพิจารณาสมมติว่ามันผิษตรงไหน เข้าใจว่ามันผิดตรงไหนเข้าใจว่านันผิดตรงไหนรู้จกักันกรุงที่มันผิดน่ะเนีะเอานั้นมาคอยระงับคือมาพิจารณาตั้งใจพิจารณาในตรงนั้นแหะจนกระทั่งหายออกไปได้ความผิดอย่างนั้นมันหายออกไปส ง, งบลงไปได้อันนั้นเรียกว่าชําระโดยตั้งสติกำนดพิจารณา และเกิดปัญญาขึ้นมาจึงจะมีห้นทางแก้ไขได้ถ้าหากว่าเกิดกิเลสโดยประการต่างอย่างคิดวายมานั้นรู้จักอยู่ามีกิเลสแต่ไม่สามารถแก้ไขได้นั่นเลยเป็นนิสัยคนเราเกิดขึ้นมานะั้น อยู่สามสิบสี่ทีีขึ้นไปก็นานเนื้อหัวที่เดียวคิเลศนนดองในสันดานไม่สามารถจะงับนับศูนย์ไปได้ติดอยู่นั่นแะเกิดขึ้นมาเรียกว่าสะสมคิเลศตรงนั้ น, นไว้ให้ฟักอยู่ในใจให้นอนเนื่องอยู่ในใจให้ค่อยฟักตัวขึ้นมาค่อยจเจริญมากหนก อันนิสัยนัเป็นเหตุให้ก่อภบก่อชาติชาตินี้สะสมมาเพียงแค่นี้แล้วยังไม่แล้วยังชาติหน้าสะสมต่อไปอีกต่อไปยิ่งหนาแน่ทุกทีไม่มีวันที่จะสงบกละงับลงไปได้พอยชำระอย่างอาตมาอธิบานนั้นถึงว่าไม่หมดก็ เบาบางลงไปในภพนี้ชาตินี้หากรู้ตัวแล้วในชาตินี้ถึงว่าอายุป่านนี้แล้วก็ต่ า, ตางเถอะค่อยสงบระ ง, งับลงไปประหาถึงวันตายเจ็ดทิพเจแปดสิปีตายก็ค่อยเบาบางลงไปอันนั้นเรีย่ยหฮัตท้่มันเบาบางลงไป มีดีกว่าที่ไม่ ช, ชำระเสียเลยการชำระสร้างสางจิตของตนย่อมเป็นหน้าที่ของตนโดยเฉพาะคนอื่นไม่สามารถทำได้ทุกๆคนเป็นหน้าที่ของตนแท้จะคอยท้าคนอื่นชำระไม่ได้ ครูบาอาจารย์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีเมื่อไรจะมาเกิดอีกก็ไม่ทราบครูบาอาจารย์ก็นานนักนานหนาซึ่งจะได้ประสบคบครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราละสอนให้เราทิ้งนั้นสิ่งที่มีอยู่ในใจของตนไม่ดีไม่งามเห็ุนั้นอย่างว่าเมื่อเรามาปฏิบัติึกหัดเห็นเรื่องโทษของตนเองแล้ว ข้อยชำระสร้างสางให้หมดไปหมดไปก็จะเป็นคุ้นแก่ตนในอนาคตข้างหน้าการที่ในการที่ถือเอาสารคือแก่สารในตัวของตนนั้นให้เป็นประโยชน์จะเป็นผลอันยิ่งใหญ่ เกิดขึ้นมาได้เชื่อว่ามัเจียชาติแล้วยังว่าพบพุทธศาสนายัางว่าครบครัาอาจารย์อีกซสีด้วยเรานำเอาสาระเป็นแก่นสารของตนนั้นฝังไว้ในใจของตนเราจะเป็นไปเพื่อตนผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ดังอธิบายมากระนี้เลย หาแก่นสารในตัวให้มันพบก่อนที่จะหาแก่นสารในตัวของเราได้คือต้องหัดสมาธิหัดสมาธิไม่ต้องนั่งดอยกยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นแหละทุกอย่างปวดได้มุดขอให้จิตเป็นหนึ่งแล้วก็แล้วกันจิตเป็นหนึ่งนั่นะเรียกว่าสาระของตัว แกนสารในตัวเนื้อหนังมังสังอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมังของเปื่อยเน่าปีิกุลมันเป็นนิ่น้ำไปเรายืมเข้ามาตั้งหากอันนี้ไม่ใช่ก้องเราหรอกตัวสาระคือจิตเป็นหนึ่งเั็นแกนสารในตัวของเราแท้อันนั้น ไปไหนก็ไปด้วยไม่เหมือนร่างกายอันนี้ร่างกายนี้ยืมเข้ามาใช้ชั่วงกล่าวเมื่ออยู่ในโล ก, กเอาของนี่มาใช้ใช้แล้วก็ทิ้งไปไม่เห็นใครเอาไปด้วยถ้าเกิดที่อื่นก็เอาของอื่นของอใหม่มาเกิดอีกของใหม่กับของเก่านั่นแหละไม่ใช่ของอื่นดินน้ำไปลง ให้เข้าไปชวค้างชรดาวท่านจึงมาให้ถือเป็นของจริงและถือเป็นตนเป็นตัวแต่คนเรามักถือกันที่แหละถือเป็นตนเป็นตัวสำคัญในยีกิงอารังใครมาว่าไม่ดีไม่งามใครดูถูกดูมินเลยโกรธใหญ่โกรธโต ไม่เห็นเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งแล้วไม่ไม่เห็นเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งก้อนดินก้อนนี้นะใครจะว่ากระตามมันเถอะถ้าเหมือนก้อนดินก้อนใหญ่ๆที่อยู่ตามเพื่อนมาตะเคียนเท็จแล้เหยียบย่ํอย่านี้แหละใครจะว่าไงเมื่อมากระทบกระเทือดใครว่าเนะว่างน้ยมันก็ไม่เดือดร้อนใครจะบวนน้ำลายใส่ใครขี้มูกใส่ มาได้ยังต่างไันก่อไม่เกียดถ่ายจะลปะปัสาวะแต่มันก็ไม่ว่าเลยให้เห็นเป็นสภาพของดิ้นน้าไปรู้ว่าแล้วกันอันนี้แหละหาเกณฑ์สาคือจับอดจิตให้มันเป็นหนึ่งให้มันได้ท่านจับจิตเป็นหนึ่งในร่างกายนี้ไม่ต้องเอาอื่นไกลเอาเดียวเท่านั้น จิตเป็นหนึ่งไหมเป็นยังไงคระนี่มันได้เกิดไหนมันทำไมมีที่เกิดจะดีมันจิตจิตเป็นหนึ่งยังเหลือที่จิตแต่เดียวมันจะไปเกิดไหนรูปร่างมันทำไม่มีแหละคะนี่ตอนที่มันมีรูปร่างนี่มันมีจิตหลายอย่างมันปรุงมันแต่งมันสรพัฒทุกอย่างอันจิตเป็นหนึ่งก็ไม่มีปรุงไม่แต่งเป็นตัวกลางๆ มันจะไปเกิดที่ไหนตั้งทำสมาธิอย่างไรให้จิตเป็นกลางให้จิตเป็นหนึ่งแต่เมื่อมันจิตเนี่ยให้เป็นหนึ่งก็ให้พิจารณาของอันนี้ในตัวของเราคือกายคือตัวตัวของเราเนี่ยที่มันถือเนี่ยมันไม่เป็นหนึ่งก็เพราะมันถือมันยึดมันถือไปละพิจารณาธาตุสี่นั้นไปลองเห็นชัดตามเป็นจริงกันไปจนกระทั่งมันปล่อยวา่า มันเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาจิต ท, ที่เป็นหนึ่งะมันเป็นบางครั้งบางคราวถ้าห้องมาชํานีชํานาถ้าชมํมีชํานาเนี่ยเห็นเป็นหนึ่งตลอดเวลาท่านไม่ชํานาญมันเห็นเป็นบางครั้งบางคราวกลับไก็เห็นเป็นมากไปอีกและจึงให้พรวนาเบื้องต้นทียวเบื้องตน้น แต่มันถึงที่สุดนะแล้วมันจิตเป็นหนึ่งแมันถึงที่สุดนะอไม่เกิดเบื้องต้นคือหัดเบื้องต้นหัดให้เข้าถึงจิตเป็นหนึ่งคือถึงที่สุดของจิตการฝึกหัดจิตคือด้วย ห, หัดเท่าไรจะหัดเถอะหัดเท่าไรหัดมากะอะไรจะหัดถือใครอยาหัดอย่างไรก็เอา ถึงที่สุดคือจิตเป็นหนึ่งกันไม่เนื้อนอกเหนือจากนั้นหรอกส่วนอุบายสัญญาที่จะเกิดขึ้นจะแล้วแต่ของบุคคลคนไหนแล้วแต่บุคคลจะมีนิสัยวาชนาต่างๆค่ะนิสัยผู้เปรี้ยวผู้เปรียวเปล่าก็เกิดพ่วงขวางผู้ไม่เปรี้ไม่เปรียวเปลาก เฉพาะจิตเป็นหนึ่งก็เอาละเทะ่านั้นแะไม่ต้องอึดเกลื่นัดอันนี่ยเรียกว่าัดชำละจิตของตนให้มันยังเหลือใจคราวนี้จิตมันเหลือใจแล้วค่นี้จันเป็นหนึ่งมันเหลือมันเหลือได่ใจใจคือของกลางวางเฉยไม่มีอารมณ์อะไรหอรอกเรียกว่าใจ คนเราถ้าเห็นจิตเห็นใจเท่านี้ก็พอไม่ต้องอื่นใครจิตเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอันหนึ่งเอเป็นเป็นพวกคิดผู้นึกการเมื่อคิดนึกเห็นอาการคิดนึกกันเป็นของไม่เจียลังทาวอนถ้าก็เบื่อหน่ายอืสาระวางลงไปจนเป็นใจขานี่ใจคือของ กองวางเฉยอยู่คนเดียวแต่ให้รู้ตัวอยู่อันนั้นเรียกว่าใจเห็นเทนี้ก็พอไม่ต้องเห็นอื่นไกลให้ได้เทนี้ม่เอาอื่นไกลเอาทำสมาธิพาวนาต่อไปมีกมมีว่าดังนั้รับสินเงินทองอยู่ในบ้านในช่องเราไม่หายไปไหนในเวลาที่เรานั่งก็ไม่หาย เราสะละลงปัจจุบันไม่ต้องไปคิดห่วงกังวลของปัณณ์เพราเราต้องเอาคำบริกรรมจะเอาพุทโธก็เอาหรือจะเอาอนาปารสติก็ได้ถ้าไม่มีคำบริกรรมไม่ทราบมันจะไปอยู่ด้วยประการใดมันต้องมีคำบริกรรมจิตไม่มีตนมีตัว เราไปยึดเอาคำปฏิกิริยามาตั้งไว้แล้วก็จิตนั้นไปยึดเอาคําบริกิริยามนั้นพุโทโธพุโทโธหรืออนัพปาราติการเอาแค่เอาเดียวจะเอาไหนก็เอาจิตมันก็จัดจ้ง่งในสิ่งนั้นจิตไม่มีหลายอย่างจิตนั้นมีหลายคนคนเดียวเท่านั้นถ้ากจัดจ้ง่งแล้วมันไม่ไปกังวลเกี่ยวข้องถึงเรื่องอื่นไกล มันก็เป็นสมาธิสมาธิอยู่ใกล้นิดเดียวฝึกหัดปฏิบัติต้องการให้เป็นสมาธิทางนั้นเมื่อเป็นสมาธิแล้วขานี่ให้รักษาสมาธิอย่นไว้ารักษาได้นานถ้าได้ก็รักษาไปเถอะเอาเป็นปีๆเอาเป็นสิบปีๆคนนะ จะไปอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นไปกอ่อให้เกิดอีกแล้วให้เกิดให้ใหกอ่อให้เกิดวุ่นวายอีกแหะนั้นเป็นหลายอย่างไปอีกหลายจิตหลายใจไปอีกแล้วมันนิ่งแนวเป็นสมาธิอยู่อันเดียวอันนั้นเรียกว่าถึงสมาธิแล้วสมาธินี่ที่จะฝึกหัดสมาธิ มันต้องเห็นจิตใช้ก่อนเห็นจิตของตนใช้ก่อนผู้คิดพู้นึ ก, กนนะ่ะคือจิตผู้ส่งพูส้สายไปมาต่งางๆนนะั้นเรียกว่าจิตถ้าหากว่ามันคิดมันนึกเป็นตัวจิตเหมือนนั้นถ้าไม่คิดถ้าเห็นโทษเห็นทุกในการคิดนึกตั้งแต่ไหนแต่ใดมาไม่ยัง ก็ไม่เห็นเข้าถึงสมาธิสักทีไม่เป็นสมาธิสักทีเราฝึกหาจะต้องการจะกลายเป็นสมาธิแค่นั้นจึงให้เห็นโทษเบื่อได้ในการที่จิตตรงสายกุ่นไหวนท่านเมื่อเห็นโทษเบื่อไดสละมดยังเหลือเจตจิตตัวจิตตัวเดียวขัน คิตคือตัวผู้คิดผู้นึกแต่อย่าไปเอาการคิดการนึกมาเป็นอารมณ์ให้เอาผู้คิดนั่นแหละจักคิดนั่นแหละผู้นึกผู้สงสัยนะั่นผู้หนึ่งผู้มันสงสัยจะบเอาผู้นั้นแหละมันจะรวมมาเป็นใจคือผู้รู้เป็นใจละครคิดกับใจมันต่างกันอย่างนี้นะ จิตคือผู้คิดผู้นึกผู้สรงใจผู้ปรุงผู้แต่งใจคือผู้รู้ท่นไม่คิดไม่นึกผู้ปรงผูแต่งแล้วก็เป็นใจคือผู้รู้เฉยไม่คิดไม่นึกเฉยเฉอยูย่ถ้าอยากจะสังเกตให้รู้ตัวใจต้องทําอย่างนี้ต้องไปใจสักพักหนึ่ง ท่านมนมใจเลยไม่มีหรอกความคิดเฉยเลยแต่รู้จักว่าเฉยรู้จักว่าเฉยผู้เฉยนั่นแะคือเป็นตัวใจนั่นแ่ะทั้งเราจะสังเกตในตัวใจแต่ว่าการหัดอย่างนี้เพื่อทดสอบเห็นความจริงของมันแล้ว มันจะต้องสบายลมหายใจออกไปมันก็พุ่งใานได้อีก ส, ส่งสสยไปต่างเรื่องเมื่อมันสงสสยมันก็เป็นจิตคขานี้ใจคือผู้เป็นกลางไม่ได้อยู่นอกไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในตนในตัวอยู่ในบ้านในเรือนใช้หรือตัวใจไอ้ตัวจิตตัวนั้น ให้มันอยู่ไหนก็ได้ให้มันอยู่กับต้นไม้ภูเขาก็ได้ใ้มันอยู่ในป่าในโลกก็ได้ไม่อยู่ในตนในตัวนี้ก็ได้ตัวแล้วแต่เอาเจ็ดเปตั้งไว้ตรงไหนมีความรู้สึกของนั่นนั่นแหะตัวใจในนั่นแหะตัวจิตไปรู้สึกกันขัน้าหาก็เอาเอา เอาจิตตอนนั้นไปไปรู้สึกตรงนั้นเี่ยไปรู้สึกในสิ่งใดแล้วให้จับเอากู้รู้สึกนั้นอย่าไปจับเอาอาการอาการต่างๆให้จับเอาตัวกู้รู้สึกนกั้กนก็จะได้ใจอีกเหมือนกันใจนั้นมันอยู่ไหนกน็ตามเถอะนอกไปว่าในาไม่ว่าแล้วเราฝึกหัดปฏิบัติข้อนากรรมฐานต้องการอบรมใจและต้องการอบรมจิต ไม่ต้องมันต้องการอบรมใจคบลมจิตผู้นีด้ด่ะให้ตั้งสติควบคุมจิตผู้นีด้ด่ะยืนเดินนั่งมอ่านิยาบทใดก็ดีรู้ตัวว่าเรากำนดจิตเราเห็นจิตคิดนึกสงสยัยจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นก็เอาอ มันทั้งเป็นสมาธิในตัวเท่านี้เราไม่มีอะไรหรอกการฝึกหัดอบรมภาวนาต้องการให้เห็นจิตเท่านั้นี่ยมันจะไปได้ก็เอามันออกหรือมันเข้ามันหยุดมันอยู่หรือมันนิ่งอะไรอา่างยรู้เห็นตัวมันอยู่ตลอดเวลาคันเห็นรู้เห็นมาอยู่งั้นเนี่ยมันจะมีเวลาหนึ่ง ลอยว่างเงี้วอันที่มันคิดอันนี้มันปรุงมาแต่งนันมันจะรวมมาเป็นใจอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้วอันรวมออมานันมันก็ไม่รู้สึกว่าอยู่ที่ไหนหรอกมันหักรวมมีความรู้สึกนึกคิดไม่มีความรู้สึกเฉพาะตัวแต่ว่าไม่ได้คิดตัวนั้นจะต้องการท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยพึ่งหัดสมาธิ ใจใจขอหมายขวางมาของเป็นกลางเรียกว่าใจจริงแล้วเมื่อหมดข อ, ของเป็นกลางเรนเรียกว่าใจไม่ต้องเอาไปคิดไม่ต้องอาปงไปปรุแต่งอะไรทั้งหมดไม่ต้องอยู่นอกอยู่ไหนแต่ของเป็นกลางนั้นของที่ไม่ดีไม่ชั่วแต่เป็นกลางชั่วก็เป็นสมมติเ่าชั่วนั้นเป็นทางทางซ้ายใช่ ดีนันเป็นทั้งขวาแต่เป็นโต๊ะที่ตรงกลางนั่นแ่ะตัวใจแท้นะใจเป็นของกลางอย่างเขาเรียกว่าใจใจอะไรก็ตามโดยใจมือใจไม้ก็ตามใจผู้ใจคนก็ตามเถอะเป็นของกลางใจต้องชี้เข้ามาตรงหน้าทากลางอกนี่แหละตรงกลางกลางนี่แหละใจมือก็ชี้ก็ตรงฝ่ามือตรงกลางมือนั่แหละใจเท่าใจแรงต่างๆ มันกาลางเรียกว่าใจถ้าจะให้รู้ใจให้เข้าใจอย่างนี้ยังจะค้นหาใจให้มันถูก